อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอวบัดคือ376 1. ิกภิกษุใช้สา ย, สยจีวันที่ผู้รับวิกับคืนให้หรือใช้สา ย, สยจีวันด้วยความคุ้นเคยกับภิกษุผู้รับวิกับ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติวิกับปะนะิกขาบทที่9จบ